พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าบวชพระใหม่ในช่วงเข้าพรรษา วันนี้เป็นวันที่หกคณะัาตาญาติโยมวันที่สองหลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพไปทำธุระพอลงไปวันที่สองก็นัดชดทธาญาติโยมแต่ก็ไม่ได้นัด น, นัดทางเฟซบุ o o นั่นแหละพวกญาติโยมที่เกี่ยวข้องเข้าทางขึ้นทางเฟซจากนั้นพวกที่คนหนุ่มคนรุ่นใหม่เขาก็มองดูว่า หลวงพ่อจะไปที่ไหนแต่ละวันเขาก็พอไปถึงก็บอกว่าตอนเย็นวันที่สองจะมีการไหว้พระสวดมนต์ที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อก็ได้ไปพอไปก็โหคนเยอะนะคนเกือบจะเป็นร้อยเหมือนกันนะมาร่วมไหว้พระสวดมนต์ากนั้นหลวงพ่อก็ได้แสดงหรือวาเกล่าว อะไรให้กับคณะสัทธาญาติโยมฟังในคืนวันที่สองหลวงพ่อไม่ได้เปิดเทปไปได้ไม่ได้เปิดเอ3มสหลวงตาเพราะหลวงตามีสถานีิวิทยุชี้นั่นอยู่แล้วหลวงพ่อกะว่างนั้นเยลยหลวงพ่อแสดงความคิดเห็นวันที่สองพอวันที่สเช้าก็ฉันยู่ที่สวนแสงธรรมรู้สึกโอ้คนมามากพอวันที่4 หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อจะออกไปฉันข้างนอกนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าไปฉันที่ไหนไปฉันข้างนอกพอวันที่4เช้าตีหทางสำนักพระราชวังก็นำรถตู้มารับที่สวนแสงธรรมไปฉันที่ตำหนักของฝ้าหญิงจั ก, กรีบงกฎพระในวัดของเราสิบรูปพรนิมน์พระ ในวัดของเราทั้งหมดหลวงพ่อเป็นหัวหน้าแล้วก็คือก่อนที่ทำไมที่สวนเท่องธรมก็มีอยู่หลวงพ่อบำรุงหลวงพ่อก็บอกว่าเพราะว่านะทางสำนักพระราชวังนิมนต์ท่านบอกมาเป็นก่อนเป็นเดือนกว่ า, กวาเกือบสองเดือนท่านก็จะต้องนั่นอนะต้องรู้จักประวัติของพระทั้งหมดตั้งแต่ประวัติของหลวงพ่อนะ่ ในลงเกิดที่ไหนเมื่อไรพรรษาเท่าไรชื่อนอามสกุลเช็คประวัติหมดาจากนั้นก็ส่งประวัติเข้าไปในทางสำนักพระราชสว่างพระสว่างรู้จักหมดทั้ง10องค์นั่นแหะพรามันไม่ใช่ว่าเราจะเห็นครูบาอาจารย์หมู่พกเพื่อน เ, อเหตุใกล้แล้วก็ไดมนไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นหลวงพ่อได้ไปฉัน อ่าพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นฉันถ้าท่านพูดอะไรบ้างที่พูดคุยกับหลวงพ่อพวกเราคงอยากจะรู้ท่านพูดเรื่องเจดีย์เจดีของหลวงตาที่บันตาที่แรกก็พวกศรัทธา ญ, ญาติโยมก็อยากจะได้จุดห น, นึ่งจุดนั้นจุดนี้แต่ท่านไปพูดเมื่อวานนะก็บอกว่าท่านยังนั้นอยู่ท่านยังเคารพรักเคารพในท่านพ่ออย่างองค์หลวงตาอยู่ท่านคงจะ ออกมาทาข้างนอกนะี่าคงจะมาร่วมกันพิจารณาว่าจะเอาจุดไหนตามสถาปนิกที่ออกแบบรังเกียรมอบให้ลูกสาวของท่านที่นั่งอยู่ข้างๆองค์ท่านพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรที่ท่านจบมาทางสถาปนิกมหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะอาจารย์เป็นผู้ออกแบบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะท่านก็พูดในเรื่องนี้ละ ท่านก็ทางลูกสาวของท่านก็รักเขารดท่านตาคือหลงตาของเราก็คงจะท่านก็คงจะมาเป็นมาออกแบบแต่คงจะมาเทปดินคงจะมาตรวจสถานที่พระเจดีจะหันหน้าหันหลังหันข้างไปทางไหนจึงจะเหมาะลักษณะอย่างนั้นและแล้วก็พิพิธภัณฑ์จะลงตรงไหนแต่พิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกแบบออกแบบพระเจดีก่อน เจีเนเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะพร้อมที่จะสร้างแล้วแต่พิพิธภัณฑ์ไม่ยากออกแบบทีหลังอันนี้ก็คือที่พระองค์ท่านได้ตรัสในวันที่หลวงพ่อเขาไปฉันก็เป็นที่ปลื้มใจสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เจดีของหลวงตาคงจะคงจะเดินได้ละบางข่าวนี่อันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้ไปฉันวันที่สี่ กรกฎาห้าเจ็ตอนเช้าจากนั้นหลวงพ่อก็ให้ให้พระกลับขึ้นมาก่อนเพราะทางในวัดของเราก็มีการก่อสร้างทางหน้าวัดรางน้นนาําลยค่ะนักทายญาติโยมลางน้ําศาลาใหญ่จะต้องได้ทำแล้วก็ห้องน้ําแต่ยังไม่เสร็จก็ขึ้นมารีบๆทําซะก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อก็จะบอกให้พระแบ่งพระขึ้นมาวันที่ส ส่วนลุงพ่ออยู่ที่สวนแสงธรรมพอวันที่ห้าก็มาฉันอยู่ที่จิตโภชนาปากบ้านของคุณหลวงน่ะร้านอาหารของคุณหลวงโอ้คนเยอะมากเมื่อวาน น, น, 5, 600, นี่คนทั้งห้า0ร้อรถึหารที่จะจอดก็ไม่ได้แล้วก็ทะลวงห้องใหญ่ๆใส่การของคนกันนั่งตั้งนั่งเต็มอาหาร อ, อ, อจัดอาหารเป็นชั่วโมงกว่า เมื่อวานเนะี่ยพอเห็นอาหารแล้วก็อิ่มเลยเหมนนะไม่ต้องฉันอาพอเห็นอาหารอิ่มอิ่มอาหารแต่ยังไม่ได้ฉันเหมือนกันนะพอฉันจะนันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็มาขึ้นเครื่องพอมาขึ้นเครื่องกรุงศรีโอโตโ ก, ก็มาคอยอยู่ที่สนามบิ น, นอุดรนะมาพบวานขึ้นมาจากกรุงเทพมาจากสาขาต่างๆมาพบคอยพบหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้ ไปดูวัดใหม่ไหมวัดอำเภอเพนเออเออเอาทาหมู่คณะศรัทธา ญ, ญาตโยมมากขนาดนี้ก็ออกไปหลวงพ่อก็นั่งรถไปอำเภอเพนอีกไปโอ้ทางนู้นกับอำเภอเพนกับคนเป็นร้อยเหมือนกันที่เป็นช่งางทางรถแมคโครแท็กเตอร์อะไรตมมะลุมตุ่มเสียงสนานวันไว้สร้างวัดใหม่ไปเห็นแล้วก็เออ ปุ่มใจภูมิใจในวัดที่คณะสัตธาญาติโยมให้ความใส่ใจสนใจในวัดวาศาสนาเมื่อวานนั่นน่ะถึงหลวงพ่อจะเหนื่อยขนาดไหนหลวงพ่อยังไปนะออกจากโน่นมากลับมาถึงวัดหกโมงกว่าแวะเขาไปดูศาลาข้างนอกอีกเป็นไางงานมันเดินไปโอ้งานไม่เดินหัวหน้าไม่อยู่ หัวหน้าหน่อยไม่อยู่งานไม่เดินที่สลาข้างนอกนะนี่แหละแล้วก็วันนี้เป็นวันบวชพระของพวกเราแต่ก็วัดใหม่อําเภอเพนก็เป็นวันปลูกต้นไม้วันนี้วันอาทิตย์นัดท้งจังหวัดนัดท้งป่าไม้นัดทั้งครูบาอาจารย์หัวหน้าสวนราชการ มาปลูกต้นไม้30กว่าไร่ที่วัดอำเภอเพนหลวงพ่งกพอก็เลยส่งพระไปเจ็ดรูปไปบิณฑบาตฉันเช้าเพราะเขาจะมีการทําบุญด้วยทําบุญเปิดวัดใหม่หลวงพ่อก็ได้ส่งไปแต่ตามไม่จริงวันนี้หลวงพ่อเขาที่มนหลวงพ่อน่ยหลวงพ่อโอ้ไปไม่ได้แล้วลูกหลานเพราะว่าวันนี้ก็จะมีการบวชพระในวัดของเราอีก บวชพระเข้าพรรษาไปไม่ได้หรอกเด็กก็เลยส่งพระไปทางโน้นนีน่แหละอันนี้ก็คือภาระธุรัะพวกเราคณะจตหายาจโจมท้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงไม่รู้นะอ่ะาใช่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเล่าให้ฟังในรายละเอียดว่าการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เนี่ยบางครั้งก็ รักษาจิตใจของศรัท ธ, ธาญาติโยมมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะถูกหลานนะเอาคนหนึ่งผิดใจคนหนึ่งไม่เอาจะเลยก็ไม่ได้กูบาอาจารย์วัดว า, าศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรแต่จะเอามากเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันฮนี่แหละเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่จะบวชพระของพวกเราวันที่หกรกฎาคม พุทธศักราชส5งพเป็นวันบวชพระเข้าพรรษาแต่ก่อนหน้านี้เราก็บวชมาหลายรุ่นแล้วล่ะปีนี้บวชมาหลายห ล, ล, า, ห ล, า, ยหลายชดุดแต่บางชุดก็บวช15วันก็มีเดือนหนึ่งก็มีแล้วบวชตลอดอยู่ตลอดมาก็มีแต่วันนี้จะบวชข่าวนี้คงจะบวชตลอดบวชในพรรษาแหละจำพรรษา3เดือนเลยข่าวนี้ผู้ที่จะมาบวชทั้งหมดเนี่ยทั้ง6 งหกหนากเนี่ยแล้วก็เมื่อบวชแล้วบวชวันที่หกวันที่สิบเอ็ดเป็นวันอาสาหะบูชาเป็นวันอาสราหะอาสหะคืออะไรลูกหลานก็คงบางคนเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็คงจะไม่รู้เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพวัวนเดือนหกเพน จากนั้นท่านก็ได้เสวยวิมุตติสุขที่โคลนต้นโพน่ะทีละเจ็ดวันเจ็ดวันไปนั่งอยู่โคนต้นโพเจ็ดวันไปนั่งโคนต้นไสเจ็วันไปนั่งอยู่ที่สะมุจจรินเจ็ดวันไปหลายๆที่นั่งทีละเจ็ดวันเจดวันในบริเวณที่ท่านาชนะกิเลสนะพูดง่ายๆมืวนกับพลกิ่งเพชรไปชนะเขามาแล้วก็ ไปกินเลี้ยงที่นี่นไปกินเลี้ยงที่นี่ลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้พรอพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านชนะสิบทิศเลยท่านนี่ชนะกิเลสในพระไทยของพระ อ, องค์พอชนะกิเลสกลาบคาบหมดเสร็จแล้วท่านนี้ไม่มีกิเลสตัวไหนจะเข้ามาต่อกอกอนได้ท่านก็าไปนั่งสมาธิสมุทวิมุติสุขอยู่โคลนต้นโพเจ็ดวันอยู่ต้นนิโคด ต, ต้นไซเจวัน ไปอยู่ต้นเกตเจวันไปอยู่ที่สะมุจลินที่พญานาคมาบุงบง่ห้ที่ฝนตก7วัน7คืนตัวนั้นก็7วันอีกนะในบริเวณต้นโพนะถวยวีมุติสุขใครๆว่าเป็นผู้ชนะร้อยทิศพันทิศหมื่นทิศมาทิศไหนชนะหมดกิเลสนะจากนั้นพระองค์ออกจากบริเวณต้นโพท่านกับนึกว่าเอเราจะไปโปรดใครก่อนนาะที่แรกก็ เราคงจะไปเทศให้ใครฟังว่ะจะไปโปรดใครว่ะเพราะว่าธรรมะที่เราได้มาเนี่ยเป็นธรรมะที่ทวนกระแสโลกเนี่ยโลภโกรธหลงไหลไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะแต่พระพุทธเจ้าตรัสรูน้นี่ย้อนกลับว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะย้อนกลับ เราจะให้ไปพูดให้ใครฟังเพราะโลกทั้งโลกนันมันไหลไปทำตามราคะโทสะโมหนะเนี่ยแต่เราได้เนะี่ยไปแปว่าย้อนกลับคืนเนะี่ยใครจะฟังเรานะี่อันนี้ลนะจุดนี้แหละพรมอยู่สวรรค์ชั้นพรมเลยได้ยินความวิบวิบตกของพระพุทธเจ้าจะไม่สอนใครลนะจะนิพพานลนะทรงสอนใครคงจาเขาค ง, งไม่ฟังฮนะ พระพรมก็เลยอาราธนาโอ้ผู้มีกิเลสน้อยยังมีอยู่ยังมีราคาโทสะผู้จะติดตามพระพุทธองค์มีอยู่ขอพระ อ, องค์จงโปรดเห็นแกสส่สรรพสัตว์ทางหลายโดยเทินพระเจ้าข้าพวกพรมเทวดานี่มากราบพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าก็มองอืมที่เราตัดสินเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันผู้ที่จะได้ฟังจากเราทำจากฟังทำจากเราไปมีอยู่ ท่านก็เลยมองไปเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่มาปนิบัติท่านหนีออกไปอยู่ที่เมืองแขวงเขตแขวงกรุงพาราณสีนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็เดินจากนี่แหละต้นโพเนี่ยไปกรุงพาราณสีไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปโปรดในลวันที่11นี่แหะไปถึงแลก็ปลดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพราะปัญจวุทธีทั้ง5้า5ได้ฟัง ได้ฟังเทศพระพุทธเจา้าได้สําเร็จเป็นพระราหันเป็นองค์แรกก็คือพระัญญโกนฐาญยะเมื่อพระัญญโกนฐานยะได้สำเร็จเป็นพระ ร, ระญญาหันในการฟังธรรมธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรคือการแรกที่พระพุทธเจา้าเทศนาประจากนั้นก็ขอบวชขอบวชแต่ข้อธรรมที่พระอัญญโกนฐานยะได้ได้บรรลุนั้นธรรมคืออะไร สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับสรุปแล้วก็คือพระอัญญาโกรนธัญญาเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกสิ่งสรรพสิ่งในโลกนะเนี่ยมันไม่ใช่ของมีสาระมันมีขอบเป็นอนิจจังทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดถึงจะมีเงินมาแล้วก็พร้อมที่จะเสีย ล, ลูกหลานเกิดมาแล้วพร้อมที่จะตายบ้านขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะพังมันอยู่ในอนิจจังทั้งหมด พัญญากนทันะท่านเห็นจุดนี้แหละท่านก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายใครท่านก็เลยได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระัญญาโกณทันยะวะ่าข้าพระองค์ขอบวชพระพุทธเจ้าเออเอาบวชได้ท่านก็ท่านก็เรียกวเอหิภิกขุอุปสมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมและวินยัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยแหละ อันนี้ก็คือบวช ด, ด้วยเอหิแต่วันนี้พวกเราจะบวช ด, ด้วยยติจะตุทะกรรมคือบวชสวดยติการบวชของพวกเราแต่บวชพระพุทธเจ้าบวชครั้งแรกนะ่ยเอหิพิคุในเมื่อท่านได้ดสําเร็จเป็นพระอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณนีย่ว่าวันที่สนะิบเอเนี่ยเป็นวันที่พระอัญญโกณธัญญาบวชกลายเป็นวันที่ พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นองค์แรกเป็นท่านแรกพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ได้ตัดรู้พระเป็นพระอนุตตรสัมมาทูสัมโพธิญาณแล้วก็พระธรรมก็คือคาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือพระัญญาโกฏัญญะแปลว่าวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี่เป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลก นี่ห ล, ลูกหลานฟังเอาไว้นะอันนี้เราวันอาสารหาบูชาแล้วก็เมื่อได้เป็นวันอาสาระบูชาละวันที่สิบสองเป็นวันเข้าพรรษาของพระ แ, ะแต่เเป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั้นวันเข้าพรรษาหลวงพ่อจะไม่อธิบายอะไรให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลักลูกหลานฟังมากนะแต่ทีนี้พวกเราก็จะได้บวชพระเพื่อ เข้าพรรษาที่จะถึงเนี่ยวันที่12เน่เพราะนั้นพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ลูกชายมาก่อนเป็นอันดับแรกก็คิดในใจเลยเออทันลูกใหญ่ขึ้นมา เ, นเราก็คงจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกของเราเพราะนั้นลูกผู้ใดผู้ใดก็ตามเป็นลูกชายของพ่อแม่นะท่านเราพ่อแม่นับถือไหว้พระสวดมนต์ นับถือพระพุทธศาสนาแลยพ่อแม่ต้องคิดอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจากนี้ก็แต่บางทีกับกิจาการภาระธุระรัดตัวก็อยากจะให้บวชยุต่ก็เป็นห่วงกิจาการอันนั้นก็มีขึ้นมาเหมือนกันแต่บางทีก็บวชแล้วกลัวลูกจะไม่ศึกอันนั้นก็มีอีกฮะมันมีหลายมีแต่ทั้งยังไงใ น, ในใจเนี่ยขึ้นอยากจะให้บวชอยากจะให้ลูกชายบวชในพระพุทธศาสนาอยากจะเห็นชายผ้าเหลืองของลูก เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านในจุดนี้เราต้องคิดนะเราทําให้เหลือวิสัยพอเราจะนักก็บวชซะให้พ่อแม่สมเดือนให้พ่อหนึ่งเดือนให้แม่หนึ่งเดือนให้ตัวข้าไปเจ้าอีกหนึ่งเดือนสมเดือนนะถ้าบวชหเดือนได้ก็ดีเหมือนกันนะให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายแล้วก็ให้ที่พวกเราที่รักกรบนับถือถ้าบวชยังลุงพ่อเนอะ ไม่รู้แบ่งให้ใครต้องให้ใครให้โทษถึงไปหมดพอบวชมาตึง49่สิบ้ปีเลยใช่เนี่ปีนี้จะเข้าปี50นะ ล, ลูกหลานนะจําั่สาเป็นพระนะแล้วบวชเนนอีกแปเบวก8เข้าไปอีกเนเป็นสมณเณรถจงแปปีนะชีวิตของหลวงพอ่อชีวิตทั้งชีวิตนะบวชเข้ามาในพระพุทธ ศ, ศาสนาในห้าเกือบ0ปีเข้ามาแล้วหลวงพ่อเป็นยังไงหลวงพอดีใจโอ้ดีใจ ไม่เสียใจแม้แต่น้อยเดียวพอได้บวชพอตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกแล้วใครเดือดร้อนพอหลวงพ่ออินบวชมีไหมถามเราก็ไม่มีตัวเองเดือดร้อนไม่ไม่มีนะนั่เมื่อตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนเแล้วเราจะไปเสียใจที่ตรงไหนมีแต่เออชีวิตทั้งชีวิตของเราได้บวชในพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้ทําคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีมาตลอดก็บางคับก็มีอยู่บ้างอแต่นั้นบางทีบางทีก็ธรรมดาคนเหมือนใจของพวกเราทุกทุกทันนะ่ะก็ธรรมดาแต่ว่าถึงยังไงเมื่อรู้แล้วนะเราก็ปรับปรุงกายว่ า, ายใจใจของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องนะเพราะนั้นขอให้พระ ลูกาหลานที่บวชเข้ามาใหม่หรือนาคที่จะบวชในพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจนะลูกหลานนะแล้วก็พ่อแม่ก็เหมือนกันได้บวชลูกหลานไวใน้ในพระพุทธศาสนากถือว่าเป็นทายาทตระกูลของเรานามสกุลของเราเลือดเนื้อเชื้อไขของเราได้ฝากไว้ในพระพุทธศาสนามอบให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าสากยบุตรพุทธชินโนรถ เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราได้บวชมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าให้เป็นลูกที่ดีอย่าเป็นลูกเกเรอย่าเป็นลูกเอาแต่ใจตัวเองอย่าเป็นลูกอย่าเป็นลูกแหวกแนวอย่าเป็นลูกที่เหลือขอพ่อแม่สอนไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยครูบาอาจารย์หลวงพ่อยพาดําเนินอย่างไร พวกเราก็ได้ศึกษาแต่หลวงพ่อพาดําเนินก็ไม่ใช่เอาทิฐิมานะของหลวงพ่อพาดําเนินไม่ใช่หลวงพ่อก็เอาหลักมองหลักพระธรรมวิ น, นัยถ้าหาว่าพวกเราได้ศึกษาเนี่ยหลวงพ่อพาดําเนินดูซิมันถูกต้องไหมใ น, มล น, ใ น, ลนหลักพระธรรมวิ น, นัยหลวงพ่อก็นําหลักพระธรรมวินัยพานําลูกนําหลานนำศรัทธาญาติโยมไปในทางที่ถูกต้องไปตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พานพาดําเนินมาเนี่ยหลวงพ่อจะพาเดินดําเนินตามนี่แหละแล้วก็เมื่อเราเดินตามต่างคนต่างโสแสวงหาทรัพย์เดินไปเลยกเก็บทรัพย์เพชรนินจินดาไปด้วยฮะจากนั้นก็เพชรนินจินดาก็เข้ากระเป๋าใครกระเป๋าเราเข้าใจใครใจเรานะแต่บางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นเดินตามหลังหลวงพ่อ เก็บขี้โมลาขี้ม้าแห้งไปด้วยฮะขี้โมลาขี้ม้าแห้งคืออะไรก็คือรอบบังโกรธบางร้องบ้งางราคาโทสะโมหะเห็นใครโกรธโมโหโทโสกันเลยนะผมบอกเก็บขี้ใส่กระเป๋าตัวเองฮะพวกเรานะเข้ามาบวชเข้ามาอยู่วัดว า, าศาสนาจะไปเก็บขี้ใส่กระเป๋าตัวเองนะเก็บแต่ของดีๆมีคุณค่ามีประโยชน์เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา อันไหนมันดีคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละมีประโยชน์เพราะนั้นขอให้พวกเราเนอะลูกหลานทุกคนวันนี้จะได้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาแหละหเป็นทายาติเมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าก็ลงไปล่างที่ทานอาหารของเราเรียบร้อยจากนั้นผมมาใส่ชุดขาวเตรียมชุดขาวใส่ดูคูบาให้เรียบดูให้เรียบร้อย ใบใส่สูดขาวสเสร็จแล้วก็มากอกใบสมัคกใบสมัครบวชพระอุปชาจะนําใบสมัครบวชมาวันนี้พระอุปชาก็คือหลวงพ่อชาลีวัดป่าภูก้อนเจ้าคณะอําเภออําเภอเภนายูงธรรมยศจะมานั่งพระอุปชาที่วัดของเราที่นั่งตรงนี้แหละตันสลานี่แหละเพราวัดของเราถึงจะเป็นสลาหลังนี้ก็บวชบวชได้เพราะว่ามีหลัก เขตวิสุงคามสีมาที่อยู่ทางหน้าเห็นไหมทางเขตพระราสถานวิสุงคามสีมาอันนี้แปลว่าทำหน้าที่แทนโบสถ์อยู่ในเมืองที่ไปแหลมๆอันนั้นแทนได้ทั้งหมดสล า, าหลังนี้นะเป็นสล า, านเนกประสงค์จะนอนก็ได้จะพักก็ได้จะมาฉันยังหันก็ได้จะบวชพระทําสังฆกรรมได้ทุกอย่างอันนี้ก็คือสล า, าของพวกเราเนี่ยอุปชาท่านจะมาบวช ในวันนี้แหละตอนใช้สายสักหน่อยนะปุ น, นั้นพรานั้นหน้าก็ลงไปกรอกใบสมัครแล้วก็มีผู้รับรองด้วยนะาการบวชต้องมีผู้รับรองด้วยพ่อแม่วงศาคณาญาติต้องรับรองว่าลูกหลานของข้าที่จะบวชจะเป็นคนดี่รับประกันยังบวชได้นะถ้ า, าว่าลูกหลานใครเอามาบวชไปติดกัญชายยาวฟินมาแล้วเอามาบวชลงพ่อไม่รับรองด้วยนะ เดี๋ยวจับคนจับผู้ประกันติดคุกน ะ, ะเพราะนั้นต้องรับประกันลูกหลานของเราผู้ที่จะบวชนะเมื่อรับประกันเสร็จแล้วก็ขึ้นมาศาลาแล้วก็ทําพิธีบวชถ้าบวชหองบวชทีละสามละสามก็คงจะใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงชุดละหนึ่งชั่วโมงก็คงจะเสร็จละวันนี้แต่ถึงยังไงถ้าเป็นไปได้ก็อาหารเที่ยงก็เตรียมเตรียมไว้ให้ เลี้ยงศรัทธาญาติโยมด้วยกว็ดีเหมือนกันเพราะว่าอาหารเที่ยงบางทีคนเฒ่าคนแก่บางบางทีเป็นโรคเบาหวานนะบางทีหิวอาหารไม่มีอันจะกินนะเพราะเราไม่มีตลาดดูดูอาหารเตรียมเตรียมไว้กว็ดีนี่แหละวันนี้เราเร า, เราจะได้เตรียมการอย่างนี้แหละคณะศรัทธาญาติโยมที่ปู้ใหยฟังข้าวข้าวเพื่อเราพวกเราจะได้เตรียมตัวเองานวันนี้พวกเรา บวชเนี่ยจะเป็นยังไงนาะจะใช้เวลาเท่าไรเนาะเนี่ยนะหลวงพ่อได้เรียนให้ทราบตามที่หลวงพ่อได้กล่าวตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะเนี่ยนี้ น, นะรับพรเป็นเบื้องต้นก่อนในเมื่อพวกเราบวชนาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ร, รับพระพรอีกรอบที่สองนะพอเราได้บวชลูกหลานบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่รับพร อ, อีกรอบสองนะ อันนี้รับพ่รับผ่รอดรอบแรกพวกเราได้ถวายพัฒหารพระสงฆ์อุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายผู้ฆ่าจะได้บวชพระลูกพาหลานตระกูลของเราเนอะร์เทพเจ้าเหล่าเทวาไปบอกดวงวิญญาณปู่ย่าตายายมารับส่วนบุญส่วนกุศลเนอะรนี่แหละพวกเราก็น้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศล เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็สงเคราะห์กันด้วยปัจจัยด้วยเงินคำทรัพสมบัติเสื้อผ้าตกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่พักผ้าอาศัยอันนั้นแปลว่าเราสงเคราะห์กันด้วยอามิรแต่เมื่อท่านจากไปแล้วเราส่งกระแสจิตสักกระแสจิตกระแสใจไปหาท่านทุกอยู่ที่ใดตกทุกข์ใดยากเขาขอให้พ้นจากทุก ถ้าว่าท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปแล้วก็ผู้ใดยังมีชีวิตอยู่ เ, เจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ขออย่หายจากโรคคาพยาติถ้าว่ามีความทุกข์ใจก็ขออย่าหายจากความทุกข์ใจถ้าว่ า, ามีความสุขู่แล้วก็ขอให้เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขในเมื่อมีชีวิตอยู่เราก็ให้พร อ, อีกแบบนึง่ง ในเมื่อคนที่ตายไปแล้วเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลอีกส่วนนึงแบบนึงนี่แหละบางคนก็บอกอทั้งมีชีวิตอยู่เราจ ะ, จะเราจะคิดยังไงเราจะอุทิศยังไงนี่แหละให้ข้าวาน้อมจิตมีเมตตาให้มีเมตตาต่อผู้มีอุปกรณคุณส่งเมตตาไปต่อผู้มีพระคุณแล้วก็ส่งเมตตาผู้ที่ด้อยกว่าเราที่ตกทุกข์ได้ยาก